ตยากออกไปหนึ่งเดียวก็เหลือแต่สงบจังได้เองแล้วจำไว้เป็นคีย์เวิร์ดตายตัวเลยนี่คือกฎตายตัวของการทำสมาธิเลยยิ่งอยากมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้นคนจะมีสมาธิจริงไม่ใช่คนที่นึกว่าต้องนั่งดูลมหายใจวันละสิบนาทีแต่เป็นคนที่ถูกฝึก ให้เห็นค่าของลมหายใจเข้าออกเห็นว่าทุกลมหายใจเข้าออกคุ้มพอจะรู้เห็นจะเป็นลมยาวก็ดีจะเป็นลมสั้นก็ดีถ้ารู้ได้ก็ถือว่าดีกับจิตทั้งนั้นเพราะเมื่อรู้อยู่เรื่อยจิตจะไม่กวัดแกงไรทิศทางเมื่อจิตไม่กวัดแกงไร้ทิศทางก็ฟุ้งซ่านน้อยลงทุกที คนจะมีสมาธิจริงไม่ใช่คนที่นึกว่าต้องข่มจิตตัวเองให้สงบวันละสิบนาทีกับทั้งไม่ใช่คนที่เห็นแต่คุณค่าของจิตที่สงบสุขท่าเดียวแต่เป็นคนที่ถูกฝึกให้เห็นค่าแม้จิตที่ฟุ้งซ่านเห็นว่าทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านเป็นทุกครั้งที่คุ้มพอให้รู้เห็นจะฟุ้งซ่านหยุมหยิ้มก็ดีจะฟุ้งซ่านอนละมานก็ดี จะฟุ้งซ่านมากขึ้นก็ดีจะฟุ้งซ่านน้อยลงก็ดีถ้ารู้ได้ก็ถือว่าดีกับสติทั้งนั้นเพราะเมื่อรู้อยู่เรื่อยๆจิตจะไม่นับเอาความฟุ้งซ่านเป็นพวกเดียวกับตนเมื่อจิตไม่นับเอาความฟุ้งซ่านเป็นพวกก็จะอยู่สงบอย่างเป็นตัวของตัวเองได้ในระยะยาวคนจะมีสมาธิจริง ไม่ใช่คนที่ยึดมันสําคัญผิดว่าการทําสมาธิคือการหลับตานิ่งๆสักครู่หนึ่งในชีวิตแต่เป็นคนที่ถูกฝึกให้ลืมตาอย่างรู้อยู่กับชีวิตทั้งชีวิตจะเป็นช่วงเวลาเล็กๆขณะใดของชีวิตถ้าใจจดจ่อรู้เห็นณนะขณะนั้นๆได้ก็ถือว่าดีกับชีวิตทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะเมื่อในมุมมองที่ถูก เป็นทุกนาทีสำคัญกับการเจริญสมาธิสเสมอชีวิตจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าไม่เอาแต่บนว่าอยากสงบเลิอกอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาทำสมาธิและไม่ต้องคร่มครวญในท้ายที่สุดว่ารู้อย่างนี้ปิดกระ ง, งับอกกระ ง, งับใจไม่ให้ฟุ้งตเตลิดเสียก่อนตายนาน น, านก็ดีเพราะนาทีสุดท้ายที่ตั้งอกตั้งใจสร้างความสงบสุข สู้หลายสิบปีแห่งการสั่งสมพายุ ค, ความฟุ้งซ่านไม่ไหวเลยมาเหตุผู้อ่านการทำสมาธินั้นไม่จำเป็นต้องหลับตานะครับสามารถทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกขณะในชีวิตประจำวันซึ่งจุดสำคัญของสมาธิ ก็คือสติและต้องมีร่วมด้วยกับสัมมาสมาธิทุกครั้งองค์มรรหมวดสมาธินั้นมีทั้งหมดสข้อคือสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธิและทั้งสามสิ่งนี้ต้องมีควบคู่พร้อมกันไปเสมอแต่ความเข้าใจผิดของคนทั่วไปนั้นทำให้การทำสมาธิเป็นเรื่องยากเพราะคิดแต่ว่าจะต้องปลีกวิเวก ไปหาที่สงบเพื่อนั่งหลับตากันอย่างเดียวและก็มักจะทําผิดหลักการแทนที่จะมีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงรู้ทันตามความเป็นจริงณขณะนั้นก็กลับกลายเป็นบังคับจิตให้สงบจึงทําให้การฝึกสมาธินั้นเป็นเรื่องยุ่งยากและหาความสงบที่แท้จริงหรือเป็นสมาสมาธิไม่ได้ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ